ต้นังที่โทุะท่านกำลังฟังรายการสันสนีสนทนาผ่านไปนะคะสําหรับพระมาร์คชาคาวโรวัฒนาปปรงลำลูกกาคลองสิทธิ์ที่มีเจ้าว่าคือท่านอาจารย์คึกฤทิซ์ซึ่งได้มอบหนังสือพุ้ทวจนะมาให้พวกเรากันวันละ3เล่ม น, นะคะติดต่อมาทาง022690006ได้เลยซึ่งไม่แน่นะคะอาจจะมีพื้สูตรที่ท่านติดใจซึ่งท่านมาร์คอ่านให้ฟังไปแล้วในวันนี้รวมอยู่ด้วยก็ได้ค่ะตอนนี้เราก็เป็นเวลาที่จะ มาพบกับการเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยผู้ทวจนะซึ่งหมายความว่าเป็นการหยิบยกเอาผู้ทวจนะของพระศ า, าสดานั้นมาประกอบกับ ก, บการสนทนาธรรมหรือว่าตอบคําถามเพื่อให้ได้รับความกระจา่างกันอย่างมั่นใจนะคะโดยพระพิบูลอภิปุณโญจากวัดป่าดอนายโศกุฎรนธา น, นีค่ะนวัสขการท่านคะเชี่ยมพานค่ะคุณจอมติวธรรมาต้องการพูดถึงอเรื่องของการปฏิบัตินี้นิดนึง ว่า<ะ>เรื่องของการใช้คํมามาลองพิจรารณาดูทบทวนดูเนี่ยน ะ, ค, ะ ค, คือในช่วงการกเรียนรู้ที่ผ่านมาที่วัดป่าอนันโศกเนี่ยเราพบแง่ายมุมตรงนี้อย่างเช่นว่าที่เราบอกว่าเราเป็นเรียนเรียนเพื่อใช้ให้รู้ใช่ไหม<ะ>รู้รู้รู้แล้วเนี่ยคือบางคนก็จะบอกว่ า, ารู้เนี่ยคือรู้เฉยเยอาจจะยังแค่จําได้เฉยยังไม่ขั้นว่ารู้เข้าไปในจิตแต่ว่าการรู้ของพระเจ้าเนี่ยคือรู้เข้าไปในจิตรู้แล้วเอาไปทําด้วยนะแต่ให้คนอีกคนหนึ่งเขาพูดขึ้นมาถึงคําว่าปฏิบัติ ซึ่ง<ฆ>คำว่าปฏิบัติเนี่ยมันก็จะทําให้อ่าอาจจะเข้าใจยังไม่ตรงว่าคุณอ่านหนังสือชื่อว่าปฏิบัติแล้วหรือปฏิบัติในจิตเราจะทํำยังไงใช่ไหม<ฆ>ซึ่งคําตรงนี้ถ้าจจเราแปลงเป็นภาษาอังกฤษมันจะใช้คําว่า practice ถูกปะ่ะ<ฆ>ซึ่ง practice ถ้าแปลกลับมาเป็นภาษาไทยอีกคําหนึ่งที่เราจะสามารถใช้ได้ก็คือว่าเอาไปใช้งานอคือคุณเรียนธรรมะเพื่อให้รู้ใช่ไหม<ฆ>รู้เนี่ยอาจจะยังไม่รู้เข้าไปในจิตคือแค่จําได้เฉยแล้วคุณเอาไปใช้งาน แต่ถ้าคุณแค่คุณเอาไปใช้งานโอเคแล้วดีแล้วอ่าค่ะเพราะฉะนั้นคุณขับรถคุณอยู่บ้านคุณอะไรคุณเอาธรรมะไปใช้งานตลอดเลยคุณหาเงินอย่างขยันกันแข่งนั่นคุณมีธรรมะแล้วคุณบูชาพระพุทธเจ้าแล้วแล้วคุณใช้จ่ายเงินเลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดูครอบครัวใช้เงินอย่างถูกต้องอ้าวคุณมีธรรมะแล้วไม่ยากเลยเอาไปใช้งานค่ะือถ้าสมมุติว่ารู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนในเรื่องการใช้เงินด้วย ใ น, ะะในการกระตันยูดูแลหน้าที่พ่อแม่ด้วยเราก็จะเอาไปจากได้ทันทีโดยอัตโนมัติซึ่งดิฉันว่าเลยประกอบกันนะคะกับการที่ถ้าเราสั่งสมสุตตะหรือว่าเราฟังธรรมมากๆเนี่ยมันก็จะทำให้เราโอเปนนิโกคือน้อมเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ตลอดใช่ใชแต่ถ้าเราไม่มีความรู้ในบางทีเราไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราอยู่ด้วยน่มันคือธรรมะถูกต้องนะคะดิฉันก็จึงบางครั้งขำตัวเอง แล้วก็ไปคุยกับคนอื่นด้วยแบบ อ, อย่างเช่นวันหนึ่งเปิดแก้วน้ําที่บรรจงปิดอย่างดีหลังจากที่รินกาแฟใส่พอจะดื่มอ้าวมีเส้นผมซะแล้วอืมถามว่าเราทํำยังไงนะคะเราก็ไม่ดื่มนะคะแล้วเราก็ได้พบเลยโอ๊ยนี่ทำมามันปรากฏจริงๆนะ <c oughs> ผมยังห้อสีสันนี่มันสวยแต่พอมันร่วงไปอยู่ในแก้วนี่มันขยงอืงแล้วก็ไม่เคยมีใครเอาเส้นผมมาทําก๋วยเตี๋ยวนะกว๋วยเตี๋ยวเส้นผมไม่มี <c oughs> เ่อนเขาเป็นพุทธวจนะตรงนี้เรียกว่าพิจารณาอะไรอยู่เพื่อนเเห็นเห็นปัจตังไหมเห็นตามที่เป็นจริงคือเห็นด้วยประสบการณ์ของตัวเองค่ะแต่ว่าดิฉันสามารถที่จะบอกว่านี่กําลังเห็นอสุภะอยู่ไหมคะอ๋อใช่เห็นความเป็นของปฏิกรูนคือมันดิฉนบอกเอ๊ะนี่เป็เรื่องปฏิกูลในอาหารหรือเป็นการที่กําลังพิจารณาอสุภะนะจะข้อไหนคะหรือได้ทั้งสองข้อเลยก็คือเห็นความเป็นของไม่ปฏิกรูนในของปฏิกูล อ่าแลา้ววางเป็นปฏิกูลในของไม่ปฏิกูลใช่แล้วก็วางอุเบกขาได้ในทั้งของที่ปฏิกูลและไม่ปฏิกูลนั้นอืมอมันวางตอนไหนคะดิฉันดิฉันไม่ได้วางดิฉันเทน้ำทิ้งไปเลยก่ะท่งนคะวางตรงที่ว่าเราไม่มีความอกราฟักราฟียกระด้างกระดึงแสดงความกรธความขัดขืงความไม่พอใจให้ปรากฏค่ะอันนี้ก็ชื่อว่าวางได้ระดับหนึ่งละเสร็จแล้วดิฉันขำสิคะคําว่าอ๋อเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้นะคือ เห็นผมในแก้วเห็นธรรมะแฮะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอันเนี้ยจะเป็นลักษณะการที่เอาอักขุศลออกจากจิตไงแล้วก็ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งคือพระเจ้าเคยพูดถึงว่าสมมุติคุณคุณมองสิ่งนี้อยู่คุณไม่อยากมองคุณก็มองไปทางอื่นก็จบเลยนะคือสมมติอกุศลเกิดขึ้นเราไม่อยากมีเราก็มองไปทางอื่นว่าเอ้อันนี้เป็นธรรมะแฮะก็จบเลยแทนที่เราจะโทรไปด่าร้านเขาอย่างงี้นะเราก็เตะทิง้งแล้วก็มองเห็นเป็นธรรมะซะ เดี๋ยฉันถามท่านตอบแบบในกรณีสมมติบางคนเนี่ยอาจจะนึกตอไปได้เลยก็ได้นะคะว่าเฮ้ยผมมันก็มันอยู่แป๊บเดียวเดี๋ยวมันหายไปหัวมันจะล้านก็ช่างมันเถอะอะไรเงี้ยเปล่าคะจะไปได้นะคะก็ <c oughs> คือเหมือนก <ไป S 2> ับก็เลยขาดการอิหนังขังขอบกับการที่จะต้องพยายามเหนี่ยวรั้งให้มันอยู่แบบเดิมเดิมเหมือนที่เคยมาไม่เปลี่ยนแปลงอย่างน้อยอกุศลมันหายไปนะใช่ไหมอกุศลเช่นว่าเราจะต้องไปผิดศีลด่าว่า อะรพวกนี้ก็จะความโกรธขึงเครียดก็จะหายไปอยู่ดีก็เป็นวิธีการที่ที่ใน5วิธีอย่างดีามากจากการที่ท่านเป็นผลเริ่มต้นแค่ว่ารู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่รู้แค่เป็นความรู้แต่รู้เข้าไปถึงในจิตนำไปสู่การเอาไปใช้งานด้วยใช่ใชหรือการนำไป practice นำเอาไปปฏิบัติด้วยนั่นเองอ ตอนนี้ก็มาถึงการที่ท่านนำเอาไปปฏิบัติในลักษณะที่ปฏิบตัติปฏิบัติคือไปปฏิบัติทำนั่งสมาธิอะไรแบบเนี้กันนะคะแล้วก็มีการปรา ก, ปรากฏของการปรุงแต่งอืทางกายทางจิตแล้วก็สนทนากราบเรียนถามท่านมาท่านก็บอกมันมีวิธีที่จะต้องผ่านไปให้ได้สองทางคือทางทุกข์กับทางสุขทุก ข, ขาปฏิปทาหรือสุ ข, ขาปฏิปทา ทุกขาก็ทนเห็นตามความเป็นจริงสุขาปฏิปทาก็พิจารณาลมหายใจก็ได้ส่วน<ส>พุทธวจนะบทเมื่อวานที่ฉันอยากพูดอีกเพราะชอบมากบุคคลในธรรมวินัยนี้จะเป็นผู้งดงามอยู่ได้ด้วยขันติและโสรจและโสรจใช่ะทีนี้มาถึงวันนี้ท่านคะมีประเด็นตรงนี้นิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องความสุขความทุกข์นะสุขาปฏิปทากับทุกขาปฏิปทา คือบางหลายๆคนจะมีความเข้าใจว่าเอ้ยมันต้องเป็นความทุกข์ทางกายความสุขทางกายอย่เช่นว่าคุณเดินจงกรมจนเท้าแตก น, นี่คือทุกข์หรือว่าคุณนั่งห้องแอร์เย็นสบายนี่คือสุขอันนี้นไม่ใช่แล้ต่อให้คุณนั่งห้องแอร์แล้วคุณพิจรารณาเห็นความไม่เที่ยงต้องมานั่งทนปวดอันนี้ก็คือทุกข์ขาปฏิปทาค่ะแล้วในขณะเดียวกันถ้าคุณเดินจงกรมเดินจนเหนื่อยอยู่ในที่ร้อนๆแต่คุณจิตเนี่ยนิ่งเป็นสมาธิอยู่เลยเนี่ยอันนี้ก็คือสุขขาปฏิปทาค่ะ มันมีคำถามเหมือนกันนะคะว่าบางคนเมื่อเปลี่ยนสถานที่การปฏิบัติมันจะไม่เหมือนเดิ ม, มคือเหมือนกับว่าไม่เคยมีการปรุงแต่งของจิตในลักษณะนี้เกิดขึ้นในสถานที่เดิ ม, อมพอมาถึงสถานที่ใหม่มันไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้เลยเดี๋ยวก็เกิดเจ็บปวดเมื่อยเดี๋ยวก็เกิดสารพัด อ, อาการ อันเนี้ยค่ะมันแตกต่างจากการปรุงแต่งที่ถามไปเมื่อวานนี้นะคคือมันก็ก along, เอ๊ะทําไมอยู่บ้านทําได้พอไปปฏิบัติอยู่ในคอสเป็นเรื่องเป็นราวมันสมควรที่จะดีกว่าอกลายเป็นว่าไม่ได้อะไรเลยตัวเองรู้สึกไม่ได้อะไรเลยกลับมามันมีอยู่สองประเด็นเป็นอย่างน้อยคุณยมติวอันอันแรกเนี่ยคือเรื่องของสถานที่แต่ละสถานที่นี่ไม่เหมือนกันแน่นอนพระเจ้าเคยพูดถึง ว่าเราจะอยู่สถานที่ไหนเนี่ย<ม>ควรจะพิจารณาจากเรื่องของปัจจัยสีด้วยแล้วก็เรื่องของการภาวนาด้วยน ะ, ะ, สะแสดงว่าที่พูดตรงเนี้ยสแสดงว่าสถานที่แต่ละสางที่เนี่ยต้องต้องมีอะไรไม่เหมือนกันค่ ะ, ะแล้วก็ประการที่สองก็คือว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะตั้งใจเกินไปไหรือเปล่าค่ะถ้าเราตั้งใจเกินไปนะมันก็จะไม่ได้นะเพราะนั่นเป็นนิวร น, นะอื ม, มเป็นความเพ่งเ ล, งล็งแหละเข้าข่ายความเพ่งเล็งแหละค่ะ<ม>บางทีบางคนปฏิบัติดีๆมาแต่เดิมนะคะ พอเปลี่ยนที่แล้วก็เป็นการเปลี่ยนที่ไปอยู่ในบรรยากาศของความจริงจังในการปฏิบัติคือเป็นคอสปฏิบัติกลับแย่ลงในลักษณะที่ว่าเนี่ยนะคะปฏิบัติไม่ได้เลยๆเล ย, เลยขวัญเสียนะกระเจิดก ร, ระเจิงอุ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นถึงถึงว่าต้องมีความสําคัญในเรื่องของกัลยาณมิตรหรือว่าผู้ที่ชะคอยแนะนําค่ะที่ชัคอยแก้ไขในเรื่องราวต่างๆคือมันมีหลายเหตุปัจจัยคุณยมเต๋ว แต่ถ้าเราเห็นการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบมีคนมากแล้วฟังทําเป็นเรื่องเป็นราวโอ้โหบางทีมันตื่นเต้นนะไอ้ความตื่นเต้นเนี่ยมันมันก็ไม่ใช่ความเพ่งเล็งอย่างเดีก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เราจะต้องเอามันออกไปให้ได้ค่ะท่านคะทีนี้่กลับมาถึงเรื่องของการที่จ ะ, อ, ะอยู่กับการปรุงแต่งต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้ใช่ไหมครัท่านบอกว่าสติเนี่ยสำคัญใช่ไหมคะใช่ คือสติเนี่ยะเป็นเป็นอันเดียวที่อรมามาพิจารณาดูแล้วเนี่ยที่ว่ามียิ่งมากยิ่งดียิ่งมากยิ่งดียิ่งละเอียดยิ่งดียิ่งมีมากมากยิ่งใช้มากยิ่งดีแต่ว่าอย่างเช่นความเพียรอย่างเนี้ยมากนี่ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีสมาธิมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีอย่างงี้นะค่ะหรือว่าศรัทธาอย่างเงี้ยมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีค่ะทีนี้ อสมมุติว่าก็พยายามละเข้าใจละมนุษย์เราเนี่ยพอเข้าใจเนี่ยมันก็อ่จะฝ่าฟันปัญหานั้นไปได้ <Okay. S 2> เพราะว่ามันไม่ไม่ตกใจสละรู้แล้วว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาพอผ่านไปเนี่ยมันจะถึงจุดตรงที่ท่านพูดตรงไหนนะคะที่บอกว่าอจนกว่ามันจะไม่มีใช่ไหมคะจนกว่ามันไม่มีการปรุงแต่งอืมช mm, <okay. S 2> เนี่ยคะ่ะ คือถ้าอยากจะเข้าใจในตรงนี้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันคือตรงไหนใชเออหมายความว่าคือเอเอเรื่องเนี้ยไม่ใช่ว่ามันจะดับแล้วมันจะดับไปเลยนะค่ะเออมันอาจจะมีมาอีกก็ได้เราก็ไม่รู้แต่ถ้าเรามีสติอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่มีปัญหาเลยท่านกําลังจะพูดเหมือนกับว่าถึงแม้ว่าปฏิบัติไปนานๆจนมีความก้าวหน้าแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ยังเข้ามาเหรอคะการปลุกแต่งเนี่ยคะ่ะแหมคุณโยมตี๋เราคิดดูตื่นเช้ามาเราหิวข้าวทุกวันเลยนะ ค่ะแทีนี้แค่<ๆ> <c oughs> โดยไปกินข้าวแค่นั้นเองก็จบละค่ะเดี๋ยวดิฉันอยากกราบเรียนถามคือเรื่องนี้นเป็นเรื่องของจิตนะคะใช่ใช่ามันอ้างอิงอะไรไม่ได้มันดูลอยมากเอแต่ถ้าสมมุติว่าจะกราบเรียนถามท่านในลักษณะสมมุติในสมาธิอพร้เจ้าตรัสถึงฌานในระดับต่างใช่ไหมคะเริ่มตั้แต่ปฐมทุติยตาติยะคือหนึ่งสองสามสี่ขึ้นไปเนี่ยใช่อในระดับไหนที่การปรุงแต่งของจิตไม่มีเลยคะ การปรุงแต่งของจิตก็จะต้องมีตลอดเวลาแม้กระทั่งเนวสัญญาณนะสัญญาญตนะหรือว่าโอชาญ9กนั่นก็คือก็เรียกว่าสัญญาเวทายตนี้เราก็ยังมีการปรุงแต่งของจิตนะคือคือพูดใหม่ดีกว่าพราะพุทธเจบอกว่าการปรุงแต่งของจิตระงับไปนะแต่ว่ามีสังขารไหมนะสังขารก็ยังมีอยู่วิญญาณก็ยังมีอยูนะ่เวทนากับสัญญาดับไปอย่างเงี้ยเพราะนั่นไอการปรุงแต่งของจิตเนี่ยก็จะ จะพูดยังไงอะก็เหมือนความคิดความนึกอะไรพวกนี้มันก็จะหายไปหมดละถ้าเราพูดถึงสมาธิชั้นสูงอันนั้นสูงขนาดไหนนะคะเนวสัญญาณาหรือสันอก็เป็นระดับอรูปสัญญาสมาบัติดิฉันขอเป็นเลขได้มคะคือระดับ8ประดับ8ปดมันมีอยู่ทั้งหมด9้าระดับใช่คะใช่ระดับแประดับเก้าคือตั้งแต่ระดับห้าขึ้นไปเนี่ยนะก็จะเรียกว่าไอ้รูปเนี่ยหมดไปละสิงที่เป็นรูปหมดไปละ เพราฉนั้นแต่ว่ามีการปรุงแต่งเอายังมีสังขารอยู่นะแสะดงว่ามันเจ้ายังมีสังขารส่วนที่เรียกว่าเป็นการปรุงแต่งของจิตนะแล้วก็สังขารส่วนที่ไม่ใช่การปรุงแต่งของจิตซึ้อตรงนี้แหมมันมันละเอียดมากอะ่ะค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะก็ยังพอให้เข้าใจได้ว่าการปรุงแต่งนั้นสมมติคนปฏิบัติไปเรื่อยๆอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ไม่ได้มีคู่มือพุทธวจนะที่พระพุทธองค์ตรัสถึง กล่าวถึงไม่ให้ใช้คําว่าสภาวะธรรมให้ใช้คําว่าเลยนะคะถ้าสมมติว่าความก้าวหน้าที่ไปปรากฏอย่างในแต่ละขั้นตอนนีมคะ่ะก็จะอารมณ์ก็ได้อือารมณ <ใน S 2> ์ใีสมาธิขั้นต่างๆใช่หรือสัญญาที่เกิดขึ้นนะคะก็จะได้ไม่ต้องตกใจว่าไอการปรุงแต่งที่เกิดมันจะเกิดยังไงก็แล้วแต่เอาสติเข้าไปจับเข้าไว้อย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ให้มีสติอยู่ในลมหายใจอย่างเดียวเลยเออ เพราะฉะนั้นคะเราเฉพบว่าคําว่าหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมีอยู่ทุกบรรทัดเลยในนามประสิทธิ์เพราะ้อารมณ์หายใจเข้าหายใจออกมีอยู่ตลอดเราให้รู้ตรงนี้ตลอดแค่นั้นเองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะดิอฉนันถึงคิดว่าจําเป็นเหมือนกันนะคะเนี่ยที่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายถ้าใช้วิธีอาณาปานาสติแล้วจําเป็นจะต้องได้รู้เหมือนกันนะคะว่ารายละเอียดในอาณาปานาสติสูตรที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เป็นอย่างไร เออก็รายละเอียดนี่ก็หมายถึงว่าอาการของจิตที่เกิดขึ้นน่ะเหรอใช่ค่ะคือเหมือนกับว่าเอาจําเป็นไหมคะที่ที่ควรจะรู้ด้วยก็ อ, อ, อย่างน้อยจะได้เข้าใจค่ะไม่ต้องสงสัยอยู่กับตัวเองสงสัยปุ๊บก็มีเฉลยว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้สิ่งที่ต้องรู้แน่นอนเลยคือลมหายใจเอาอย่างเดียวพออย่างอื่นทิ้งหมดอย่างอืนไม่เอาหมดเอาไม่ต้อ ง, องไม่ต้องกังวลยวอย่างอื่นเลยเพราะว่ามั น, ม, นมันบอกกันได้ไม่จบอ่ะ เดี๋ยวเหมือนตกเหวเดี๋ยวเหมือนลอยตัวเดี๋ยวเหมือนคันคันนี้ก็มีคันอยู่สีห้าแบบใช่ไหมเดี๋ยวเหมือนตัวเป็นปวดโอ้มันบอกกันได้ไม่จบค่ะอการปรุงแต่งนี่จับหลักอย่างนี้เลยว่ามันจะเกิดอาการใดก็แล้วแต่ให้เข้าใจเถอะว่าล้วนรวมกันเรียกว่าการปรุงแต่งของจิตใช่ใช่อย่างเดียวเท่านั้นที่เราจะต้องทําก็คือการรู้ลมหายใจใช่ไหมคะใช่เอาแค่นั้นเลย อันนี้ง่ายมากคือดิฉันก็อาจจะเป็นคนที่มีปัญหานะคะคือเหมือนกับว่ามีหน้าที่ถามปัญหาะคะ่ะตรงตรงนี้แหละคุณโยมติวที่ว่ามันง่ายจนกระทั่งบอกว่ามันง่ายขนาดนี้เลยเหรอั่ายสิคะนี่มันมรคนิพพานนะก็แค่นี้แหละหนทางเครื่องไปอันเดียววิธีไม่ยากแต่การ<ถ>ปฏิบัติอาจจะไม่ง่ายถ้าทำถูกก็ง่ายถ้าทาไม่ถูกยากมาก อืออย่างบางคนจะไปแก้ปัญหานู่นนี่นั่นัน้นคุณทําไม่ถูกละมันจะยากมากจริงแต่ถ้าคุณทาถูกอยู่อย่างเดียวนั่นคือพอเลยถูกเละง่ายมากค่ะอืแต่ที่ว่าง่ายๆเลยก็ไม่ไดใช่ว่ามันทํำง่ายมากแต่ก็ยังมีกําลังใจกันท่านคะนี่เห็นเวลาเหลือน้อยลงแล้วแล้วเดี๋ยวท่านไม่พบท่านนี่ไม่พบทั้งสองวันขออนุญาตสรุปอีกครั้งหนึ่งได้ไเพราะสมวันหลังเนี่ยรายการนี้ก็เน้นหนักไปทางปฏิบัติ เราก็คิดว่าสิ่งที่เราสนทนากันอยู่เนี่ยเมื่อนําไปสู่การปฏิบัติมากน้อยอย่างไรก็เป็นส่วนของการที่เราจะได้ถวายเป็นการปฏิบัติบูบชาซึ่งเป็นการบูชาสูงสุดเนื่องในโอกาสที่เราจะระลึกถึงพระคุณของพระพุทธองค์ในปีที่มีพระพุทธองค์ปรากฏขึ้นบนโลกเป็น 2,600 ปีปีพุทธชยันตีกันแล้วนะคะดังนั้นก็สรุปได้ว่าบนเส้นทางแห่งการปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติในขั้นหนึ่งขั้นสองสามสี่ถ้าตามสัมมาสมาธิมีอยู่เก้าขั้นเนี่ยนะคะ<ช>ก่อนจะไปถึงขั้นสุดท้ายการปรุงแต่งของจิตในลักษณะต่างๆมีอยู่อย่างแน่นอน<ช>หน้าที่ของเราคือไม่ต้องไปคิดให้ยากไม่ต้องไปคิดให้ลำบากท่านเพบูรณ์วันนี้พูดแบบชนิดไม่ต้องกังวลหลังจากที่ทำความเข้าใจในรายละเอียดอื่นมาแล้ว<ช>วางไปให้หมดเป็นความรู้ แต่เก็บเอาความรู้ที่สําคัญอย่างเดียวไว้ว่าให้กลับมารู้ลมหายใจใช่แค่นี้เองนะคะแล้วพยายามผ่านตรงนั้นแต่ให้ได้ทนอดทนและมีโซรจัจจ์ท่านจะเป็นบุคคลที่งดงามดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าบุคคลในธรรมวินัยนี้จะเป็นผู้งดงามอยู่ได้ด้วยขันติและโซรัจจ์ถูกไหมคะถูกต้องเพลงเลยนะสาธุในชั้นเองคก็ <laughs> ฉันเองก็มีความรู้สึกว่าได้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยนะคะคือมันเหมือนกับอินทรีย์บารมีเนี่ยต้องเชื่อนะคะว่ามันไม่ได้ว่าได้มาเท่ากันทุกคนอืมก็ค่อยๆสั่งสมไปเนาะค่ ะ, ะและโชคดีที่ท่านทั้งหลายมีครูบาอาจารย์ฟังกันทุกวันท่านก็ได้พบครูบาอาจารย์ทุกวันและได้พบอาจารย์ใหญ่ด้วยเพราะว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายในรายการก็จะนำอภิพุทธวจนะมาต่อกับท่านนะคะ วันนี้ก็นมัส ก, การขอบพระคุณท่านพิบูลบรรยายยิ่งเลยนะคะเรียนานพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าค่ะนักสการค่ะเรียนผ่านก็ขอลาท่านฟังไปพร้อมๆกันด้วยเพราะที่ฉันใช้เวลาจนหมดจดเกลี้ยงกล่าวจริงๆนะคะสัมสนิสนทนาสัมสนีนาคพงจะมาพบท่านใหม่ตีห้าวันจันทร์หน้าค่ะพุทธสวัสดีค่ะ